พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมว่าเรามีจุดจบสาธุมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักขณาทายาตั้งใจสมาทานศีลคณะสัตธายาิโยมจากจากตุรทิศที่ลงมาใส่บาดที่ตักบาทหลวงพ่อเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ได้ถามว่ามาสัทธาิโยมลูกหลานมาจากไหนสัตยาดโยมก็ต่างตอบมามาจากทุกขนทุกแห่งเออมาหลาย หมู่บ้านตนําบลอำเภอจังหวัดที่ใส่ตักบาตรเมื่อเช้าเนี่พราะนั้นมาถึงมาสู่วัดวาศาสนามาอยู่สู่วัดอย่างนี้แหละอย่างน้อยก็มีการไหว้พระแล้วก็สัสมาทานศีลในเมื่อสมาทานศีลถึงจะเป็นศีลชั่ว ค, คู่ชั่วขณะก็คือศีลเหมือนกับคุณงามความดีความดีถึงจะน่อยนิดก็คือความดี ถ้าความชั่วก็เช่นเดียวกันถึงจะทำความชั่วน้อยนิดก็คือความชั่วความชั่วคือสิ่งที่ไม่ดีความดีคือศีลศีลและธรรมก็คือความดีถึงจะน้อยนิดก็เป็นความดีเพราะนั้นพวกเรามาสู่วัดวาศาสนาถึงจะรักษาศีลชั่วคู่ชั่วขนะก็ยังเป็นศีลยังเป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราคนโบราณเขาจึงบอกว่าให รักษาศีลชั่วช้างกระทบหูชั่ว ง, งูแลบลิ้นก็ยังเป็นศีลยังเป็นบุญเป็นกุศลความเป็นมาชั่วช้างกระทบหูช่งงูแลบลิ้นเนี่ยคืออะไรท่านพูดในพระไตรปิฎกนะเป็นชาดกหนะลวงพ่อเคยได้อ่านที่พุกพิพยายักษ์พยายักษ์ที่พระโพธิสัตว์ไ ป, ปโปรดนะ พอประลองสติปัญญากันแล้วเนะ่ยยักก็ยอมพอยอมตันี้ก็พูลือสีเนี่ยก็บอกว่าเอาถ้ายอมให้รักษาสินประกอบคุณงามความดีได้ไหมโอ้ยไม่ได้แล้วครับชีวิตของผมต้องกินเนื้อกินสัตว์จะให้รักษาสินไม่ได้ครับอา้าวถ้าหากว่ารักษา ยาวนานไม่ได้กับช่วงคู่ช่วขณะไม่ได้เหรอให้นานขนาดไหนครับออยากถามลือศีนะ่ะลือศีก็บอกว่าชั่วงช้างกระทบหูช่วงงูแลบลิ้นเ อ, อได้ไหมเพียงแค่นะั้นได้ครับถ้าเพียงแค่นั้นพอยักษ์ก็เคยเห็นใช่ไหมช้างกระทบหูอยู่เรื่อยใช่ไหมงูเนี่นกัพอมันชูคอขึ้นมามันก็แลบลิ้นแลบแลบอยู่เรื่อยมันจะไปย า, ยาวนานอะไรใช่ไหมอ้า ได้ครับจัวช้างกระทบหูช่วงูแลบลิ้นผมรักษาศีลห้าได้ครับเอาถ้างั้นก็เอ า, เ, อาเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวจะให้ช้างตัวนี้ยืนอยู่นี่นะกับ ง, งูตัวนี้นะ่ะให้คอยดูนะถ้ามันแลบลิ้นเมื่อไรกระทบหูเมื่อไหรยังค่อยไปหายอยู่หากินตามปกตินะ่ะพยาลักษ์นั่นก็ครับผมแต่นี้พาลื้อสีก็เลย น, นี่นี่เลยมิตรช้างตัว น, นั้นขึ้นมาใช่ไหม อะไรกันนี่เนรมิดงูตอนนั้นคืนมาตอนนี้ทางพญยายักเนี่กับตาจ้องอยู่ใช่ไหมช้างตอนนี้ไม่กระทบหูสักทีสิหูกลางพึ่งๆึงอยู่ไอ้งูตอนนั้นกับเมือนกันมันไม่แลบลิ้นสักทีมันลมปมลิ้นของมันอยู่ตลอดตายกูตายกูตายที่นี่เลยพญายักษไม่ได้กินอาหารถึงเนีเพราะว่า เ, เห็นไปช้างก็ไม่กระทบหูงูก็ไม่แลบลิ้นใช่ไหละ่ะ นี่แหละตอนผลได้โชวก็ได้รักษาสินเิายาวนานทีเดียวเลยนี่แหละอันนี้ก็คือการท่านพูดในตำรับตำราเนี่ยก็เป็นนกข้อคิดอันหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านาถึงจะประกอบคุณงามความดีถึงจะชั่วขณะหนึ่งก็คือคุณงามความดีทางความชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าว่าพวกเราทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วถึงจะทำน้อยนิดก็คือสิ่งที่มันไม่ดี ดีกับชั่วมันต่างกันดีคือความเจริญรุ่งเรืองความรมเย็นผาสุขชั่วนะก็คือหนทางแห่งความจีบหายทําให้พวกเราได้รับความทุกข์ยากลําบากเพราะสิ่งที่สิ่งที่มันชั่วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาสู่วัดวาสัตนามาสู่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อจึงจะให้จึงให้คณะทศชายาจโยมถึงจะรับสินชั่วคู่ชั่วขณะหนึ่งก็ยังเป็นสินนะ ในขณะที่รับสินจบหลงไปแล้วพวกเราคงจะไม่ได้ทำความชั่วเสียหายคงคงจะหลายนาทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่กระมังนะอันนี้ก็คือคุณงามความดีเพราะนั้นต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินรับสินนะอนัตถายาชโยมลูกหลนนานนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนะเนพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยสวัวันนี้เป็นวันที่เป็นอาวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดกันยายนพุทธศักราช2559หวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เป็นวันเกิดของ โยมผู้การที่ท่านมารักษาศีลท่านรักษาศีลอุโบสถดด้วยนะทราบว่าท่านมาจากอุดรพร้อมกับคณะของท่านประมาณ40กว่าคนที่มาพักค้างที่วัดหลวงพ่อเมื่อคืนก่อนมีการไหว้พระสมาทานศีลเมื่อคืนนี้แล้วก็หลวงพ่อก็ได้กล่าวสำโมโธธนิยกถาตอนรับ ที่ท่านผู้การกับคณะที่มาพักอยู่ในวัดแล้วก็เดนแนววิธีการปฏิบัติเรื่องสมาธิแล้วก็ได้พานั่งสมาธิช่วงระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันแต่เมื่อเช้าก็ได้มาตักบาตรทำบุญตักบาตรโยมผู้การพลตํารวจตรีพีระพงศ์วงสมานที่นั่งต่อหน้า หลวงพ่อผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเอว่าวันนี้เป็นวันมงคลของพี่น้องชาวอุดรผู้ใหญ่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างนีเ้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าประเทศชาติชาติไทยของเราพวกเราพวกเราได้ศึกษาในประวัติศาสตร์ยาวนานมาพระเจ้าเป็นดินสงผนวดหรือสงบวช ในพุทธศาสนามีหลายพระองค์อย่างรัตการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราพระองค์ก็ได้ทรงผนวดทีวัดปวรณนเนะิเวศนะเจ้าพกุลสมเด็จพระญาณสังวรได้เป็นพระพี่เลี้ยงของพระองค์ท่านนี่แหละอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในแผ่นดินท่านก็เข้าสู่วัดวาศาสน า, าถือเสียสละทรงบวชท่านอยู่ในเวียงวังของพระองค์ท่าน พระ อ, องค์มีความสุขเกษมสำราญขนาดไหนแต่นี้พระ อ, องค์เข้ามาบวชเป็นนักพรตนักบวชถือภาคกาสาวะเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างที่ดีนี่แหละอันนี้ก็คือท่านผู้ ก, การก็พาลูกน้องบริวารที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมกระรรมดาแหละมาจะให้สะดวกสบาย เหมือนกับเราอยู่ในบ้านค ง, คงเป็นไปไม่ได้พอเรามาอยู่วัดวัาเข้ามาสู่วัดนะเหมือนกับเข้ามาหลวงพ่อบอกให้ถือเสมือนว่าเราถือเข้ามา อ, ออกทุง่งเหมือนกับครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านออกทุ่งในป่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายเหมือนกับอยู่ในวัดก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อเข้าสู่ป่าหลงพงภัยเข้าไปสู่ถ้ำ ถูปาช้าถูป่ารกชัดป่าโดงพงไัยไม่รู้ว่าอะไรต่อไม่อะไรพิษภัยต่างๆแต่ถึงยังไงก็เพื่ออะไรเพื่ออะไรมีความเพื่ออยู่ในจิตใจการออกตุ่งเพื่ออะไรนี้ก็เหมือนกันโยมผู้การกับคณะที่มาสู่วัดวาศาสนามาอยู่นอนมาพักที่วัดเพื่ออะไรก็อยู่ในใจของพวกเราทุกๆท่าน เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราประกอบคุณงามความดีเพื่อรักษาศีลไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาหาหนทางตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีจุดจบมันมี จุดจบได้ใชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดวันนี้เป็นวันเกิดทําไมจึงมาหาพูดถึงวันจุดจบนะแต่ตามไจริงในหลักของพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทันว่าให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอันนี้นคือพระธรรมคําสอนดูก่อนอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระอานนท์ว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะเอ อ, ออนนุ์เธอจึงตั้งอยู่ในความประมาทอยู่นะอา น, นุเออ์เธอควรจะระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าแล้วก็ชายตายละหายใจไม่ออกออกก็ตายทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะความตายใครๆก็กลัวทั้งนั้น mm. เป็นเรื่องอภิมงคลหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาของมนุษย์ชาติ ไม่ว่าชาติศาสนาหรือจับพรษสัตว์ทงหลายคุ้มกัน ก, กลัวตายทั้งนั้นแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้รา ล, ลึกถึงความตายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าคนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายมันจะลืมตัวคิดว่ามีอะไรก็ทำความช่วยชาว้าเสียหายมากมายกายกองได้แต่เมื่อเรารลึกถึงความตายเออชีวิตของเรามีจุดจบนา เ, เรามีคุณงามความดีอยู่ในตัวของเราหรือยาง เพียงพอหรือยังคุณงามความดีในตัวของเราเพียงพอหรือยังถ้ายังไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดีทำสิ่งค ว, ความดนะีให้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันไม่ดีเราก็ลดละไปเรื่อยๆเพราะชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายแ น, แน่ไม่มีอย่างอื่นนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะอย่างที่หลวงพ่อ เคยยกประเด็นยกตัวอย่างให้ฟังนะเต็นเป็นแต่ไม่ใช่มานะรณพไตรปิฎกนะ เ, เป็นคาของเป็นคำของคนจีนศนะาสนาจีนศาสนาเซนหรือศาสนาอะไรหลวงพ่อจำไม่ชัดนะเนเขาก็ยกประเด็นขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะเเขาบอกว่ามีคนแก่คนหนึ่งอายุ ป, ประมาณสัก60กกว่าจะเข้าเจสเขา ตายโดยกระทันหันเออมรณะนะลงโดยแบบกระทันหันพ่อก็ตายปุ๊บลงไปคงจะลักษณะหัวใจวายลักษณะอย่างนั้นแหะพ่อตายไปแล้วก่อนโยมมาโทษเขาก็เอดทหารยมมาโทษเขาก็เอาไปหายมมาโทษพอไปหาโยมมาโทษพอไปเห็นยมมาโทษเท่า น, นั้นแหละอตาแก่คนนี้ก็โมโหจะได้ใจเอทําไมก่อนที่จะตายทําไมไม่มาบอกมากล่าวกันก่อน ไม่มาเตือนกันก่อนเอาแบบนี้เอาแบบปรับปรับเนี่แสดงว่าเอาไม่ให้ไม่ให้สิทธิ์กันเลยเอแปบลบว่าไม่เคารพหรือว่าไม่ยําเกรงกันเลยมันเกินไปจะแลว้วยมมาธุดเนี่ยถ้าจะเอาถ้าจะมาเอาก็ต้องบอกล่วงหน้าซะก่อนที่อันนี้จะมาเอาแบบปรับปับอย่างนี้มันเอาได้อย่างไอใครวัตกแก่เนี่ยโมโหในใจนพอไปเห็นหน้าอาพยายมพบาลที่เป็นประธานของยมมาธุด อ, อแต่แกกับธรรบานใส่เลยนะเอ้ยท่าน อ, อยมพบาลทําทไมเอาผมมาแบบไม่บอกไม่กล่าวผมเลยเนี่ยเอามาแบบกระทันหันปุบ ป, ปับอย่างนี้เอามาได้ยังไงผมมีพินัยกรมพินัยกรรมมีเรื่องอะไรที่จะต้องสั่งเสียมีทั้งเยอะแยะไปเอามาอย่างนี้แสดงว่าไม่ให้สิทธิ์ไม่เคารพไม่ให้ความเกรงใจอะไรกันเลยถ้าเอามาก็ต้องบอกล่วงหน้าซะก่อนสิ ตะแกโมโหให้อจมพบาลเะแต่ยมพบาลก็นั่งอยู่โต๊ะใช่ไหมนั่งเก้าอี้นั่โต๊ะยมพบาลก็ตบโต๊ะเปียงอพูดอย่างนั้นได้ยังไงอนี้ปัลละโลกนะยจมพบาลเขาพูดนะอันนี้ปัะโลกนะพูดอย่างงั้นได้ยังไงเตือนไม่รู้กี่ครั้งแล้วตะแกไม่ฟังเองดื้อด้านอีกต่างหากเออทําไมว่าไม่เตือนเอาเตือนผมได้ไหนครับ เตือนผมยังไงครับผมไม่เห็นท่านเตือนผมเลยอ้าวเอเอผมหงอกเห็นผมขาวเลยที่เห็นผมขาวครั้งแรกเลยเมื่ออายุเท่าไหร่ประมาณสี่สิบกว่าปีครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่หนึ่งยมพวานเขาเจดหมายฉบับที่หนึ่งเตือนแล้วเน่ะแก่แล้วนะแล้วฟันหลุดล่ะเอออายุเท่าไหร่ ประมาณห้าสิบกว่าครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่สองพลในสุดไล่ไปเรื่อยเรื่อยเลยทีิดีอหูตึงตาฝ้าฟาง เ, เวลาอายุเท่าไหร่ยมพอบานเขาบอกตาฝ้าฟางเมื่ออายุเท่านั้นจึงได้ใสแว่นตานี่นี่แหละทำไมจึงว่ายมยมประทุษยมพอบาลเขาไม่เตือนเขาเตือนมาตลอดแต่ตัวเองก็เดือดร้นพอผมงอกเอาสีมาย้อมซะ ถ้าตาฝ้าฟางกระตัดแ่นมาใส่ถ้าฟันรูกระทำฟันปลอมขึ้นมาผลในสุดเนี่อจะว่าเขาไม่เตือนได้อย่างไรเขาเตือนมาตลอดแต่ตัวเองรื้อด้านไม่ฟังอีกต่างหากเนี่ยเอาไปทหารย ม, มโทษเอาไปลงกระทะให้เข็ดเทีนี้ไอ้ไหนุ่มทีนี้ไอ้หนุ่มอยู่ข้างๆใช่ไหมตัวสันงินงกอยู่ อท่านเอกไอ้เนี่ก็ถามว่ท่านยมมาโทษครับที่ท่านเตือนคนลงที่ผ่านผ่านไปนะเออใช่ผมก็เห็นด้วยอยู่เตือนไปแล้วขอไม่ฟังแต่สําหรับผมผมเลยท่านเนี่ไม่ได้เตือนอะไรเลยเนี่ยผมก็อายุเพียงยี่สิบกว่าท่านก็เอาผมมาแล้วเนี่ยเอที่ท่านทําผมว่าไม่เป็นธรรมสาหรับผมเหมือนกันนะไอ้ยมมาโทษโยมพอบานเนี่ยก็อ๋อไอ้น ม, มการเตือนไม่ใช่ว่าเตือนอย่างเดียวนะเตือนหลายหลายอย่าง ไอ้เพื่อนของแกเนี่ยอายุเท่ากันใช่ไหมครับเนี่ยที่ตายไปเมื่อกี้เขาตายไปเพราะอะไร<__>เขาตายวายครับ<__>อ่านั่นแหละ<__>เธอคิดไหมว่าเอ้อีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายข้าต้องประกอบคุณงามความดีได้คิดไว้ไหมไม่ได้คิดครับนั่นแหละเขาเตือนอย่างงั้นแหละใช่ไหมต้องนึกน้อมมาหาตัวเองสิว่าอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายเหมือนกับเพื่อนของเราเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ย เอแต่นี้เธอตายมาเพราะอะไรเนี่ยเอหัวใจวายครับอนั่นแหละ เ, เพื่อนก็ตายตายวายเราก็ตายตายตายตายเพราะหัวใจวายมันตายเหมือนกันนั่นแหละเอาเธอนะเธอยังไม่ได้ทําความช่วยเสียหายอะไรมาก เ, เพราะยังน้อยหนุ่มอยู่ไปไปหาเกิดไปนะต่อไปอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอประกอบคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีนะไว้ จะได้เป็นเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าอย่าไปทำความชั่วนะไปไปหาเกิดไอ้ห น, นุ่มแล้วกันเลยกลับมาเกิดอกนะีกนี่แหละสรุปแล้วก็คืออิษาทกเรื่องนี้ขึ้นมาก็สรุปแล้วคือไม่ให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทที่ชีวิตของเราเกิดมาก็อย่างนี่นะแต่หลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อย้ำแล้วเตือนอีกว่าหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านกล่าวไว้นะการสถาญาติโยมลูกหลานพ่อลูกหลานมีภาระธุระมากไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนแต่หลวงพ่อเนี่เข้ามาศึกษาตั้งแต่อายุ 11-12 ปีเป็นสมบันเดนจนอายุถึง 71-72 ปีน่นะฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา เ, เกือบ 5-60 ปีนี่แหละหลวงพ่อได้ศึกษาธรรมธรรมคสอนของพุทธ แล้วก็ได้ศึกษาตามคำสอนของหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนๆที่เป็นสายหลวงปู่มั่นที่ท่านนั่งภาวนาไปอยู่ป่ารงพงไพ่ท่านบอกกล่าวเร้เลยว่าตายแล้วเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่หลวงพ่อได้ปฏิบัติตามหลวงพ่อเขามั่นใจตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวจริงๆตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทําไมจึงยืนยันยืนหยัดอย่างนั้นได้ เพราะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนย์ทําอย่างอื่นไม่ได้พิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้เรียนเฉยเฉยไม่ได้ประมาณการไม่ได้เอานอกเสียจากนั่งภาวนานั่งอย่างพระพุทธโลปนั่งต่อหน้าของพวกเราเนี่ยนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วเนะี่ยกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออ ก, ออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก จากนั้นใจของเรารวมเป็นหนึ่งจิตหน่งเป็นหนึ่งพอจิตรวมจะเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละเราจะรู้ไร้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันรูปประธรรมกับนามธรรมชัดเจนรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบพวกพวกเราทุกวันใช้รถไปที่ไหนมีแต่ใช้รถหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบววร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะคณะนะจาทยญาติโยมนะแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถ คนขับรถกับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับแต่เมื่อคนขับแล้วรถคันนี้ก็อยู่ในอำนาจของคนโซเฟอร์เมื่อซเฟอร์สตาร์ทเครื่องขึ้นไปจะพวงมาล้วเหยียบคันเร่งจะให้มันชนกำแพงและจะให้ชนต้นไม้จะให้เดินไปตามถนนก็ได้อยู่กับสูโฟซเฟอร์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านวน่ามโนปุพังคมามธรมมามโนเสธามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจร่างกายของเรานี่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ารถคันนี้มีโซ เ, เฟอร์เป็นใหญ่เป็นมีโซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ไม่มีช่างโซเฟอร์กินเหล้ า, าเมาใช่กินยาบ้ายามาเนี่ยโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมในจิตในใจโซเฟอร์ขับรถขึ้นไปก็ชนดะาเยยบดะไปหมดเลยเพราะอะไร เพราะว่าโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมในจิตใจเพราะนั้นท่านจึงให้อบรมโซเฟอร์เนี่ยศีลธรรมเนี่ยคืออบรมโซเฟอร์เนี่ยให้เอาโซเฟอร์มาอบรมคือเอาสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาอบรมโซเฟอร์ so fer, ให้โซเฟอร์เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเมื่อโซเฟอร์มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วโซเฟอร์ so ได้สําเร็จพระโสดาพระสกทาพระอนาคาพระหันณ เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คืออย่นั้นแะคือมโนคือใจหลวงนั้นแหะแต่ร่างกายของพระพุทธเจ้ามีธาตุสีดินน้ำลมไฟมีหูมีตามีจมูกเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ใจของท่านนั้นตัวนามธรรมตัวนั้นล่ะคือเป็นพุทธะนะคูบาอาจารย์ของเราเหมือนกันหลวงตามหาบุรุษท่านก็มีหูมีตามีแข้งมีขามีมือมีมือกับพวกเราเหมือนพวกเราทั้งหมดนะไม่มีอะไรย่อหย่อนกว่ากัน แต่ใจของท่านคือใจพระหรันที่ท่านจำเร็จเป็นพระหันก็คือใจเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านในความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเนอะข้ทาทัตทญาติโยมให้ศึกษาในจุดนี้นะถ้าพวกเราศึกษาแล้วนะเราจะสนิทใจเอตายใจเอ่เสื่อสนิทไม่ต้องเชื่อคนอื่นนะเชื่อในตัวของเราผู้ปฏิบัติท่านั้นลนะ่ะพอจิตใจรวมสงบเท่านั้นลนะ่ะ พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจ เ, เห็นได้ชัดโอ้ร่างกายนีย่ตายแน่ๆอีกทักวันหนึ่งเขาต้องเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆแต่ใจของเราตัวนามธรรมตัวผู้รู้ตัวรู้ ๆ, ๆนีอ่อคือตัวใจเนี่ยดวงนี้เนี่ยจะต้องไปเกิดที่ใหม่ต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นอีกออกจากร่างนี้แล้วนะแต่ออกไปจากร่างนี่แล้วใจตรงนั้นจะมีบุญมีกุศลไหมเนี่ ท้าว่าจิตใจที่ไม่ได้สั่งสมบุญคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลใจตรงนั้นออกจากร่างไปแล้วนะอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ที่รชานเออเป็นอะไรได้ทั้งหมดขนาดเป็นพระนะเป็นพระในครั้งพุทธกาลนะพอตายไปแล้วนะ่ไปห่วงผ้าจีวอลนะเออผ้าจีวอลเพิ่งตัดเจ็บมาใหม่ๆย้อมขึ้นมาใหม่ๆวันนี้นะ พอตกกลางคืนมาตัวเองไปฉันอาหารตอนเช้านะีอาหารเป็นพิษแนทะ้เลยพออาหารเป็นพิษเออพอกลางคืนมาปวดท้องชักเต้นชักงอตายเนละก่อนที่จะตายคิดถึงผ้าจีวรลเนนะี่ยโอโ้ตายผ้าจีวรลพึ่งเย็บใหม่ๆเออเป็นผ้าจีวรที่ถูกใจที่สุดห่วงห่วงผ้าจีวรเออผ้าจีวรพอคิดตายป๊บแท้เลนะวิญญาณคือดวงใจเนะี่ยไปเกิดในผ้าจีวรลเนนีะ่ไปเกิดเป็นเลนนะ เล่นไล่ตะละนะ่ตัวเล็กๆ่งอยู่ในผ้าจีวอนไปเกิดที่นั่นเถอะเออแต่ว่าตัวเองเนี่ยตายแ่ะพอลุงพุ่งพุ่งในเช้ามาผ้าสงทางหลายโอ้พระที่เราเจ็บตัดผ้าจีวอนเย็บผ้าจีวรให้เมื่อวานเนี่ยตายไปซะแล้วเมื่อคืนนีออ้อาหารเป็นพิษปวดท้องแล้วก็ตายนะ เออพว่ในเช้ามาันก็ไปเผาเลยถึงตอนกลางวันพอชันอาหารเสร็จแล้วก็ไปอ้อไปพระไปเผานะอ่าไปไประชุมเพลิงนะพอไปไประชุมจะได้นจเนี่ยเอาบริขารมาเลยบริขารของพระองค์ที่ตายไปนะน่ยมีบาทมีผ้าจีวรมีบริขารนะที่ของท่านใช่ตามไม่ จ, จริงของที่พระองค์นั้นใช้เนะี่ยท่านจะให้ลูกศิษย์เลือกก่อนเลยลูกศิษย์ที่อุปถัมภะถากดูแลองคนะ์นั้นท่านนะ่ะ ให้องค์นั้นเลือกก่อนท่านจะเอาบาตรหรือท่านจะเอาจีวรหรือท่านาสังฆาติหรือจะเอาสายประคตอะไรก็ได้ให้เลือกก่อนพอเลือกก่อนแล้วพระสงฆ์ก็แจกกันเลยประชุมแจกกันองค์ไหนในกลุ่มของเราจะหมายก่อนผ้าหายากเห็นไหมล่ะมัไม่เหม่ย ไ, ไม่เหมือนหาง่ายอย่างทุกวันนี้ผ้าหายากองค์ไหนฉับรุดกว่าก็ให้องค์นั้นไปแต่ใน ผ้าจีวรก็มากองไว้ต่อหน้าผ้าสงฆ์ท่า น, นมาล้อมรอบกําลังปรึกษากันว่าเราจะแจกแจกแจกแบ่งกันยังไงนะไอ้จีวรไ อ, อ, อ้ตัวเล่นต้นนั้นอะเล่นตัวนั้นอ ะ, นนนอะถึงจะเป็นตัวเล่นก็จียงอยู่เออแต่มันมีความรู้สึกคือมันเป็นหัวใจของพระเาพระที่ตายเมื่อวานมันก็วิ่งอยู่ในผ้าจีวรโอ้ยไอ้พระเหล่านี้จะแย่งผ้าจีวรข้าพระเจ้ามันว่านะเอ้ตัวเล่นมันร้องนะ พอตัวเลนมันร้องอแต่นี้พวกพระเรานั้นก็ไม่ได้ยินอย่างพวกเราเนี่ยจะได้ยินเสียงเลนร้องใช่ไหมมันไม่ใช่เสียงส้างร้องใช่ไหมเสียงเลนเนี่ยเพราะพระทีเจ้าที่นั่งอยู่ในพระคันทกนดุดีท่านมีหูทิพต์นเนี่ยหูทิพตาทิพเน่ยท่านได้ยินโอ้ตายเ อ, อพระองค์ที่ตายไปเมื่อวา น, นไม่ไปเกิดเป็นเลนเสียแล้ว อ, อกําลังทุกข์ใจอยู่เนี่ยถ้าว่าพระเหล่านี้แจกผ้าจีวรเน่ะ เลนตัวนี้เสียใจแล้วก็โกรธให้พระออกจากจา ก, จากตายจากตัวเล่นมันจะไปสู่นรกนะพระพุทธเจ้าออกจากพระตายด้วยความโกรธ อ, ออกจากตายจากความโกรธจะไปตกนรกนะ่ยเนี่ยอพระองค์ก็บอกว่าเอ้ยอานนท์ไปบอกให้พระเหล่านั้นอย่าเพิ่งแจกไ้าจีวรแล้วครับไปก่อนนะจนกว่าได้รับคําสั่งจากเราแล้วจะค่อยแจกไปด่วน พระอนุนก็นไปเลยไปเออพวกท่านทาั้งหลายบริขารของพระที่ตายเมื่อวานนะี้เก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแจกเก็บไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับพระบัญชาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนอจึงจะแจกถ้าเดี๋ยวนี้เอาเก็บไว้ก่อนอพระเรานะเออแปลกใจงงเหมือนกันให้ทําไมจึงให้เก็บบริขารไว้พระเรานั้ะก็เลยเก็บบริขารไวเ้เก็บไว้พอได้เจ็ดวัน เลนตน้ำมันตายเดีอายุของเลนเนี่เจวันเนี่ยตายพอตายพระองค์ก็อานน์ไปบอกพระเหล่านั้นนะแจกประชุมสงฆ์แล้วก็แจกอัฐ บ, บริขารพระองค์นั้นได้แล้วนะพระนนท์ก็ไปบอกเออพวกท่านทั้งหลายพระที่ตายเนี่จวันนั้นนะแจกบริขารประชุมแจกกันได้นะเดี๋ยี้พระพรองค์มีพระบัญชามาแล้วให้แจกได้พระสงฆ์ก็เลยไปชุมกันพอชุมกันก็เลยแจกพอแจกแล้วก็ยังงงอีกเหมือนกัน ทำไมสั่งให้ระงับทำไมสั่งสั่งให้แจกเนี่ยด้วยเหตุอันใดหนอเนี่ยพระสงฆ์เหล่านั้นพอแจกบริขารเสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเราจะไปตั้งความสงสัยทําไมเมื่อพระพุทธเจ้าสั่งให้แจกสั่งระงับแล้ก็สั่งให้แจกก็ต้องมีความหมายพวกเราต้องไปถามพระพุทธองค์สิจะไปงงอยู่ทําไม เ, เมื่อหัวหน้าประธานสูงกับพวกพระเหล่านั้นก็ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคาร์ ให้ท่านอารนน์ไปสั่งระงับไม่ให้แจกผ้าจีบอลแล้วก็ท่านทําไมจึงมาบัด น, นี้จึงให้วันนี้จึงให้แจกจีวอลเป็นด้วยเหตุอะไดหนอพระเจ้าข้าพระองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพระที่ตายในวันนั้นพอตายไปแล้วเขาเป็นห่วงผ้าจีวรพอตายแล้วพวกเขาห่วงผ้าจีวรลที่ตัดใหม่ๆเย็บใหม่ๆเขายังไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นตายไปแล้วดวงวิญญาณเขาไปเกาะเขาเลยไปเป็นเลนอยู่ที่นั่น เป็นเลนหรือผาาจีวรตอนตนี้พวกเธอทั้งหลายไปชุมกันเนอะเขากนันนแสดงความไม่อพอใจเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายจะแย่งจีวรของเขาเพราะนั้นเราเห็นความเราให้ความอนุเคราะห์ต่อดวงวิญญาณเขารักษาศีลบริสุทธิ์อยู่พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ได้แต่ถ้าว่ามาโกรธใะเขาจะต้องตกนรกพเพราะโกรธให้ผู้มีศีลเพราะนั้นเราจึง สงเคราะห์เขาให้ระงับไว้ก่อนบัดนี้เขาไปสู่สวรรค์แล้วนะไอ้พวกเธอทั้งหลายกระแจกได้เนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายก็งงโอ้โหขนาดพระตายท่านเป็นผู้ภาวนาถึงขนาดนั้นจิตใจเพียงไปคล่องแวะเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นยังไปเกิดเป็นตัวเล่นได้นี่แหละในหลักของพุทธศาสนามีอย่างนั้นนะคณะทาญาทโยมลูกหลานนะผู้ใดก็ตาม ฝากสิ่งของอะไรไว้หนะ่ยเป็นห่วงถ้าใครเป็นห่วงไล่ห่วงนาห่วงโรงสีห่วงอะไรเนะี่ยไปเกิดเป็นหนูเป็นแมลงสาบได้ไง่ายๆเหมือนกันนะหลวงพ่อวานนะเพราะนั้นก่อนที่จะตายให้พุทโธพุทโธพุทโธไวนะ้นีลูกหลานนะวันนี้หลวงพ่อได้เล่าเรื่องราวให้พวกนักธรรมญาติโยมได้ฟังเป็นแนวความคิดนะในหลักของพุทธศ า, ศาสนาเรื่องภิกษุทิวาเนี่ยนะมาในพระไตรปิฎกนะแต่ว่าเรื่องตา ตาจีนตาแจกคนะเนี่ที่ว่าไปหาพยมมาทุกนะเป็นนิทานทั่วๆไปนะแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงในเล่าให้คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทั้งหลายเป็น เ, เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราได้ศึกษานะาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเนะัทนิเนอะ